แนะนำบทอัลฟาจบทอัลฟาจเป็นบทมักกิยามี30องค์การซึ่งกล่าวถึงเรื่องสำคัญ3มเรื่องโดยกันคือ 1. เรื่องราวต่างๆของประชาชาติที่ปฏิเสธศรัทธาต่อศาสนาทูตของอัลลอ์เช่นอาร์ชสมูรและกลุ่มชนของฟื้อเออพร้อมทั้งได้ชี้แจงถึงการลงโทษและความวิบัติเนื่องจากการละเมิดขอบเขต 2. ชี้แจงถึงแนวทางของอัลลอ์ในการทดสอบพวงเบา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 ในดังกล่าวนั Vietnamese ้นเป็นการสาบานสำหรับผู ama, ้มีปัญญาไม่ใช่หรือเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าพระผู้วิบากของเจ้ากระทำต่อพวกอาร์ดอย่างไร อิรอมพวกมีเสาหินสูงตรงา่าซึ่งเยียงนั้นไม่ได้ถูกสร้างตามหัวเมืองต่างาและพวกสมุดผู้ส ก, กัดหินหน้าหุบเขาและฟิร์อว์เจ้าแห่งเสาเต็น บรรดาผู้ละเมิดเหล่านั้นอยู่ตามหัวเมืองต่างๆแล้วก็ความเสียหายอย่างมากมายในหัวเมืองเหล่านั้นดังนั้นพระผูพ้พิบาลของเจ้าจึงกระนํำการลงโทษแก่พวกเขาแท้จริงพระผูพ้พิบาลของเจ้านั้น ทรงเฝ้าดูอยู่สำนมนุษย์นั้นเมื่อพระผู้วิบาลของเขาส่งทดสอบเขาโดยส่งให้เกียรติเขาและทรงโปรดบาลเขาเขาก็จะกล่าวว่าพระผู้วิบาลของฉันทรงยกย่องฉัน แ ต, แต่ครั้นเมื่อพระองค์ทรงทดสอบเขาโดยการครองชีพของเขาเป็นที่คับแคบแก่เขาเขาก็จะกล่าวว่าพระผูพ้พิบาลของฉันทรงเหยียดหยามฉันขลาลาบัลลาตุคริมุนอลเยติมวะลาตฮัดดุลอาลาตามิลมิสก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 หาไม่ได้เมื่อแผ่นดินถูกทำให้สั่นสะเทือนทลายลงและพระผู้บานของเจ้าสเสด็จมาพร้อมทั้งมาลก์กาเป็นแถวแถวว่าจะเยื่อเมื่อใดบีจห์นม เย้มอิดียะทดักครุลอินสานวะอันนาลหุดดราและในวันนั้นนรกยันนำจะถูกนำมาให้ปรากฏในวันนั้นมนุษย์จะรำลึกขึ้นมาได้แต่การรำลึกนั้นจะมีผลแก่เขาได้อย่างไรยะคูลยาลัยทนีกัดดมทุลหยา เขาจะกล่าวว่าโอ้ฉันได้ทำความดีไว้ล่วงหน้าสำหรับชีวิตของฉันก็จะดีและในวันนั้นไม่มีผูดด้ใดจะลงโทษเช่นการลงโทษของพรมงและไม่มีผูดด้ใดจะผูกมัดเช่นการผูกมัดของพรลง